Duh. -huh. ก็บำเพ็ญธรรมภาวนาทุกคืนทุกวันไม่มีครูไม่มีอาจารย์มีแต่คนลงทางที่ภาวนาอยู่สติไม่รู้ปัญญาไม่เห็นสาระไม่เห็นภาวนาทุกวัน จนเกิดนิมิตหลอนไปเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสิทธิ์ไม่มีครูเปรียบเหมือนหมูไม่มีหมันใช้ไม่ได้มันได้โอกาสมันหลอกให้ตมาเป็นผู้วิเศษหลอกให้ตมาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ให้ไปรู้อะไรหลายๆอย่างที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถรู้ได้ให้เห็นสิ่งนั้นปรากฏอย่างชัดเจนไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นจริงแต่มันจริงด้วยความโง่สำหรับส่วนบุคคลคืออาตมาเราไม่รู้ว่านั่นมนัน หรือพระเราไม่มียานที่จะรู้เราน้นว่าสิ่งที่รู้นั้นคือสิ่งวิเศษจริงๆยังไม่รู้ว่าอะไรคือ น, นิพพานเพราะยังไม่ได้หนึ่งรรษาเลยตอนนั้นการมินีในก็ยังไม่เข้าใจเพราะอ ด, ดัมามีพื้นมาจากความเป็นขรรค หนึ่งปีก่อนบวชบำเพ็ญตะบะลือลือลือลือสีชัน้นโูให้นะหัวใจแก่กูลือลือลือลือขะหะขะห า, านัชชรีตินี่คือหัวใจบำเพ็ญตะบะไม่ยุ่งด้วยอิสตรี ไม่เสพกรารก่อนบวชมาเป็นปีเป็นการฝึกธรรัะอดอย่างเสือตายอย่างราชสีนี่คือตาบาะของพะระฤาษีท่านสอนไว้บาเพ็ญภาวนาจเจริญวิชาคิดในเรื่องลิศ ความศักิ์สร็จจนท้ายที่สุดมองมนุษย์โลกนี้อยู่กับเราไม่ได้มนุษย์ไม่มีศีลมนุษย์ไม่มีความจริงใจมนุษย์มีแต่การหลอกไปวันๆหนึ่งซึ่งกันและกันความสุขชั่วขณะหลอกกัน แล้วที่สุดก็มาทำลายจิตใจที่แท้ จ, จริงจึงมองเห็นว่าเราไม่น่าจะอยู่อีกแล้วที่ไหนหนอที่จะเข้าถึงดวงจิตเรานอกจากเนื้อนางบุญขององค์สุเดว่าสัมมาสัมพุทธเจ้า อาตมาก็ได้บวชสมใจเป็นนาคอาศัยเขาบวชพูดอย่างนี้ไม่ได้น้อยใจภูมิใจสัตว์ไม่ตายไม่มีมหรสพไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนอกจากจีวรหนึ่งไกรแถมเป็นจีวรสมณีน้อยซะอีก เจ็บปวดมากเพราะอะไรเพราะเวลาห่มขามันลอยถึงหน้าแข้งเวลาดึงหน้าแข้งลงแขนมันหดก็ไปจากกแะ้ะมันอานาจใจเตสัทธาที่มันเหนือกว่ากายไม่ได้ไปคำานึงในตรงนั้น วันเวลาก็ผ่านล่วงไปการบําเพ็ญภาวนาก็มากขึ้นมากขึ้นฝึกตรระเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นภาวนาทั้งคืนทั้งวันจนที่สุดไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์เป็นไปตามอารมณ์ไม่ใช่เป็นไป ด้วยสติที่ตั้งด้วยความเสืกวารู้แจ้งในธาตุขันแสดงว่าปฏิบัติผิดทางเพราะไม่โ่รู้หนทางในการปฏิบัติคิดว่านั่งหลับตาสมาธิคือใช่ใครบอกอรตมายังไม่มีใครสอนตารมายังไม่เห็นยังไม่เจอจนที่สุดเนี่ย ได้หลงว่าสิ่งนั้นสิ่งที่เราได้มาคือความวิเศษมันตรงกับกิเลสจริงๆและความวิเศษนั่นเองมันคือหายยนณะแห่งจิตของอัตมามันคือหายยนณะแห่งจิตอาตมามยิ่งปฏิบัติยิ่งเป็นตัวเป็นตนผิดทา ยิ่งปฏิบัติยิ่งมียิ่งมากผิดหนผิดหนทางของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอาตมาจึงแต่งกรงโง่งงไว้บทหนึ่งฝากสำหรับชีวิตของตนเองว่าแสนสับสนวุ่นวายครโรคจิตอยากมีฤทธ์เหาะเหินเดินอากาศ คลายประสาทฟั่นเฟือนเลอะเลือนตนความมืดมนได้ปิดบังแสงชีวิตประพฤติฉีดตามคันลองของหลักธรรมประพฤติ ธ, ธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าคิดผิดมัวหมองไม่ผ่องใสถ้าคิดถูกผุดพองไม่มองใจดั้งสติไว ให้คุมจิตไม่ผิดธรรมสามคำตั้งสติไว้ให้คุมจิตไม่ผิดธรรมมันลงอยู่ตรงนี้เองแล้แล้วชีวิตเหตุนี้เองจริงทำไมจะมา เป็นพระไปอยู่ทางภาคอีสานไปแบบมือนกับคนที่มันไม่มีอะไรอีกชีวิตนี้มันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งและเป็นที่หวังและที่เหนียวรั้งยึดไว้คงจะบอกว่าเรือลำน้อยลำนี้ มันไม่มีหางเสือไม่มีหนทางมันไปตามลำของนาวานนั่นเองไปเกยหาดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธา น, นีวัดเอี่ยมวนาราหรือบ้านม่วงเดียดฟังชื่อแล้วมันไม่เป็นมงคล ทนอยู่ได้สองปีตรงนั้นตมาก็ออกจากที่ตรงนั้นแต่อัตมาคุ้มค่ามากเลยที่ตมาอยู่ตรงนั้นนะอัตมาด้บําเพนเพียนมากเลยโสเดือนในชีวิต มีพลังอย่างมหาศาลอยู่ในกุฏิไม่พูพ้พรานไม่เกี่ยวข้องบำเพ็ญจริงๆผิดเป็นครูมาแล้วบทเรียนจะไม่ขอเพี้ยนบ้าเป็นครั้งสองขอบคุณในวันนั้น จึงมีวันนี้อยู่แสงธรรมสองชีวิตเพราะธรรมเวลาปฏิบัติเมื่อถึงสาภาวะจิตนั้นมันมีสิ่งซับซ้อนอย่างมากมายมันมีคุณและมีโทษอย่างมากมายสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรู้ ครูยังไม่เคยบอกอารมณ์ให้ปฏิบั ต, บติครูไม่เคยสอนบอกสภาวะของจิตนั้นมันก็เป็นไปตามอุปทานแล้วแต่มันจะเกิดนิมิตมันจะเกิดความรู้สึกมันจะเกิดมันเป็นจริงเป็นจังไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่มาได้บาเพ็ญเพียร พ, พอสมควร ออกจากตรงนั่นสามเดือนแต่มาไปครั้งแรกไม่มีกุฏินอนครูอาจารย์ที่ท่านกรากฟังประวัติเักนิดนะ่ไม่ใช่นอนหมอนมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่กำเนิดแบบลูกผู้ดีการบวชของอธมาไปวันนั้นเนี่ย ท่านเจ้าอาวาสมีจดหมายฉบับหนึ่งเขาฝากให้อตมาเดินทางมาเพื่อให้อตมามารักษาตัวคือสภาพอตมามึน ง, งงเบลอจับต้นชนปลายไม่ถูก ปฏิบัติท้ายที่สุดมันอับประยชอดสูใจทุ่มเททั้งกลางวันกลางคืนมันได้นรกกลับมาวิมานมันก็สลายตอนนั้นพอมันรู้แล้วว่ามันคือ น, นรกนี่นะบทเรียนราคาแงพงผิดเป็นครู รู้เป็นวิชาบางครั้งดีกว่าอันตำลาอัตมาพูดเต็มคำด้วยตัวเองและมีคำพังเผยเตือนตนเสมอว่าเคร่งได้แต่อย่าเครียดถ้าซีเรียสเดียวจำบ้าเป็นบทความของจิตอัตมาทั้งนั้นิดอัตมานอนในศาลาไม่มีประตูส่วนตัว เปิดมาก็เห็นเสือ้อเห็นหมอนคำว่าพระอาจารย์สมชาติยังไม่มีตมานอนอยู่ตรงนั้นเกือบสามเดือนจนตมาต้องเอ่ยปากบอกท่านจะอาวาสว่าขอให้ผมมีกุฏิอยู่เถอะครับ พออาหารก็มาฉันอยู่ตรงนี้จัดสังฆทานโยมก็เหยียบไปเหยียบมาอยู่ตรงนี้ท่านบอกมีอยู่กุฏิล่างนะกุฏิล่างเอามาจากพี่พาชาไม่มีใครนอนดีใจเลยพอไปเสร็จ แมวมันตายอยู่ตรงนั้นเป็นโครงซี่กระดูกเหลือจากมดมากินที่ฟุยผงให้เด็กวัดเก็บเช็ดออกแต่มาก็อยู่กุฏิหลังนั้นเป็นเรือนสีดำไม่ใช่สีคงจะเป็นเรือนดำด้วยน้ำมันเครื่องที่เขาทา แต่มัก็อยู่หลังนั้นเดินทีกุฏิมีเสียงที่ไพเราะ่าออดแอมันเป็นดนตรีชีวิตที่สอนด้วยหยดน้ําตาบอกใครไม่ได้ต้องเจอเองชื่อว่ากรรมมีจริงแบบนั้นผลของกรรมนั้นมีจริงไม่ต้องใครบอกไม่ต้องใครมาตีไม่ต้องใครมาสอน จิตวิญญาณมันสะดุ้งเองเชื่อว่ารู้เองเห็นเองมันซึ้งมันตาราจรออดแอและพร้อมที่จะหักด้วยอัตมาต้องใช้วิชาตัวเบาพอสมควรอยู่กุดกโลโกสโสดหลังนี้ ที่มีฝาผนังเป็นรูโดยรอบระยะระยะอิสระจริงๆไม่มีความลับเลยใครอยากจะเห็นก็ดูเธอรูมันเยอะอาจารยมา น, นั่งตรงนั้นฝึกให้ยุงกัดหลายเดือนหลายเดือน แต่มาก็อยากยู่รู้ถ้ามันไม่ตายมันต้องรอดไม่มีใครเป็นที่พึ่งตอนนั้นตนเป็นที่พึ่งของตนคำนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชีวิตอาตมาในตอนนั้นศักดิ์สิทธิ์นะคำพระ้าสอนอัตตหิอั ต, อตโนโนาโธเป็นสักขีพยานได้ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนในตอนนั้นเป็นคำที่วิเศษที่สุดเลยแต่มาบำเพ็ญอยู่ตรงนั้นมีความตื่นตัวที่จะบำเพ็ญอย่างเดียวไม่เคยสนใจไปอย่างอื่นมุ่งบำเพ็ญสินสมาธิ ไม่มีใครมาบอกปัญญาหรอกอยกก็คงเป็นแบบปัญญาณนวโกว่าที่อ่านกันนนะมันเป็นศีลสมาธิปัญญาของนวโกว่ามันเป็นปัญญาของไตรศิขาแต่ไม่ใช่มันเป็นปัญญาของการปฏิบัติที่เรากำลังได้ฟังได้ยินคนลำแบกกัน อาจจะมามุ่งบาเพ็ญจะคอยเสด็จดุ้งเมื่อช้ามืดกลัวว่าจะไม่ได้ตื่นปฏิบัติเป็นผู้ลุกขึ้นไปตีะระฆังเป่งเป็นสัญญาณให้พระตื่นขึ้นมาทำกิจกรรมของ การเป็นพระสงฆ์รวมเป็นหมู่คณะคือเจริญพระพุทธมนต์เช้าและแผ่เมตตาที่นั่นเขาไม่สอนภาวนาเหมือนวัดหลวงปู่หลวงตาไม่มีอะไรพอเสร็จจากตรงนั้นตมาจะรีบเดินทันที กลับไปกุดนั่งสมาธิจนได้ยินเสียงระฆังเปสัญญาณออกบินทบาทธรรมะจะคลายออกจากสมาธิรีบผมจีวรเดี๋ยวไม่ทันเพราะเขาตีเสร็จเขาเดินไปแล้วนาวัดธรรมะต้องรีบเดินตาม ผู้ปฏิบัติช่วยชาไม่ได้ ว, ไว่องไวเข้มแข็งอดทนเดินกำหนดจิตไปเรื่อยขณะออกโปรดบิณฑบาตไม่ใช้วาจาพูดนอกเสียจากมีคำถามที่จำเป็นพูดเพราะไม่ใช่เวลาคุยเป็นเวลาโปรดเวนยสัตว์จิตกำหนดเป็นกุศลอยู่ การปฏิบัติไม่ให้ขาดช่วงเลยเสร็จจากนั้นทำพธธัฒกิจอาตมาเป็นคนเก็บอาหารไม่เป็นชันแล้วคือเลิกไม่มีการเก็บคดหอที่จะไปเผื่อต่อข้าว ใส่ในบาตรเอาน้ำล้างเป็นข้าวเหนียวโรยนกพีราบเยอะทำทานทุกวันจนที่สุดมีศรัทธาจากในเมืองเขาคงจะเรื่อมหินแววเหมือนกันคงจะมีแสงธรรมบ้างแล้วตอนนั้นแต่ยังไม่สองชีวิต มันเป็นแสงที่ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยครับเขาศรัทธาเขาบอกเขาขอสร้างกุฏิถวายหนึ่งหละัะแต่มีข้อแม้ถ้าสร้างต้องนิมนต์อยู่หนึ่งพันษายอย่างน้อยไม่งั้นไม่ทำให้จะไปทำที่อื่นครับตกลงไมโยมว่าตกลง เบื่อเสียงเพลงออดแอดไอ้ฟังเงี้ยสนุกแต่จริงๆไม่สนุกหรอกยอมมันให้คุณค่ากับดวงจิตวิญญาณของลูกพไทธเจ้าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกกรรมลำบากไม่ทุกข์จิตตัวเดียว ที่เรียกร้องหาพระสัทธรรมไม่มีคำอื่นยิ่งกว่าตัมามีบณนิธานที่แน่วแน่นี่เวื้องหลังของแสงธรรมไอตมาขึ้นไปอยู่กุนลตัตมาปิดประตูบอมเพนตลอดจนเขาว่าบ้ารอบสอง ธรมาไม่สนใจที่สุดอาตมาย้ายไปอยู่ห้องเก็บของในศาลาด้านหลังม่หนาต่างไม่ได้เปิดปิดมัเลยเป็นหน้าต่างบานใหญ่ไม้หนาๆยาวๆสูงๆเขาทำแล้วใช้สลักปิดหดัดเก็บถ้วยเก็บชามอยู่ท่านั้นธรรมาเข้าไปอยู่ที่นั่นอีกเกือบสามเดือน เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามมันเหมือนกลางหวัดแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าสิบโมงเช้ามันก็เหมือนกลางวัดสติมันตื่นสมทธิเริ่มจัดแล้วเล่น ชั่วโมงการบําเพนเริ่มเข้ารอบชั่วโมงบินเริ่มสามารถที่จะทะยานขึ้นได้บําเพนไปบปําเพนมามีหยุดจุดหนึ่งเป็นจุดอับของอัตมาฟังวันนี้คนมีวาสนาได้ฟัง ทมที่จะกล่าวต่อเป็นจุดอับของอาตมาบอกทำไมเนดะ้อทำไมยังไม่รู้ว่าสงบจริงคืออะไรฟังให้ดีได้ยมจะรู้จักที่นั่งยังไม่รู้จักนะธรรมะจริงคืออะไรฟังให้ดี แตนั่งปฏิบัติขอบารมีคูบาจารขอบารมีองค์พระพุทธธรรมประสงค์นั่งปฏิบัติจนไม่สามารถที่จะเข้าถึงความดับในสมาธินั้นได้แต่มาเกิดความท้อถอย จังใครเหมือนกับบอกว่าเลิกปฏิบัตินะไม่มีความจริงาศาสนาพุทธแต่มาพูดนะาศาสนาพุทธไม่มีความจริงเราทำถึงขั้นนี้แนละ้วยังไม่เห็นความจริงเลยค่ำคืนนั้น อาตมาจะนอนแต่หัวคํานอนแบบขุดคูหดคู่ใจนอนเหมือนคนหมดอะไรไม่อยากแกรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีอยู่คำหนึ่ง ที่เป็นอนุสัยสันดานเก่าลุกขึ้นปฏิบัติไม่ลุกนอนไม่มีอะไรโกหกทั้งนั้นลุกขึ้นปฏิบัติไม่ทำไม่มีอะไร ไล้สาระลุกขึ้นบอกไม่ต้องมาเรียกใครเรียกก็ว่าะตมก่อใช้ว่าสันดานของผู้บำเพ็ญในจิตนั้นมันชวนอยู่เสมอ แต่ความไม่สำฤรธผลการปฏิบัติธรรมทำให้รู้สึกว่าปฏิบัติไปทำไมไม่มีสาระสึกดีกว่าตะกียงใกล้หวดน้ำมัน ด, ดวงจิต เริ่มลิบลีแสงมันอ่อนหมดเลยมันเหมือนกับไม่มีความรู้สึกอะไรเลยตอนนั้นคงจะบอกผิดหวังจนมันมันช็อกตมาตั้งความหวังไว้สูงเกินเป็นกิเลสโดยยังไม่รู้ตัว ลุกเธอะเรียกอยู่ได้ลำคาญไม่ลุกมันสู้กันอยู่มันสู้กันมันก็เรียกอีกลุกขึ้นปฏิบัติเถอะ จนทนกัรลบเล้าไม่ไหวขึ้นมาอย่างนั้นแหละลุกขึ้นมาก็นั่งแบบคนมันเคยนั่งใช่ไหมโยมลุกขึ้นก็ขวาทับซ้ายซะทับกวาปึ๊กลำคาญนั่งแบบอย่างเสียไม่ได้โยมเชื่อไหม นั่งผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเอ๊ะนั่งสมาธิมีเอ๊ะด้วยเอ๊ะทำไมวันนี้มันเงียบจังทำไมจิตมันสองอบจัง ทำไมมันไม่ฟุง้งซ่าเอ๊ะแปลกสงสัยสงสัยเฮ้ยนั่งต่อไปอีกทำไมมันเงียบจังมันวิเวกจัง สงบจังเลยที่เราไม่เคยสงบอย่างนี้นาเอ๊ะมันเกิดได้ยังไงเมื่อก่อนเรากำหนดมันไม่เป็นอย่างนี้ทำไมวันนี้มันสงบจังเลยนั่งต่อ ยังไม่อยากปฏิบัติเท่าไหร่ยังงอนอยู่ยังไม่หายโกรธยังไม่หายแค้นยังไม่ข้ามคืนอออกจากสมาธิดีกว่าเดินออกไปจากห้องเก็บของไปนั่งตอนนั้นทานน้ำสปอนเซอร์ มันมีเกลือรแร่ลูกศิษย์มาถวายให้บำลุงบำลุงเฮ้ยทำไมวันนี้ประมาณตีสองได้เฮ้ยทำไมวันนี้มันสงบจังเฮ้มันเป็นได้ยังไงนะสงสัยสงสัยไม่แน่ใจกลับไปซ้ำใหม่ กลับไปทำใหม่ทีนี้นั่งริงๆิงเลยนั่งอย่างเมื่อกี้เนะี่ยไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นไม่ภาวนาบริกรรมอะไรทั้งสิ้นนั่งดูเฉยมีแค่สติตัวเดียวเท่านั้นที่รู้ขนาดนั่งเฉย ผ่านไปประมาณชั่วโมงชัดเชั ด, ชดขึ้นเริ่มมีวิตกวิจารมันสงบจริงนี่เพราะเราไม่ได้ปรุงแต่งจิตมันเมื่อก่อนนี่เราไม่ใช่ฟุ้งซ่านที่ปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจึงสงบ มันสงบอย่างนี้เลยโอเมื่อก่อนเราปรุงแต่งแอ้อมันปรุงแต่งแล้วเมื่อก่อนเริ่มมีความวิตกวิจารพอวิตกวิจารนั้นหมดเกิดความสุขปิติอิ่มอยู่ในใจโอ้สาธุโอสติ อ๋อมีความตื่นรู้ที่ไม่ต้องปรุงแต่งจิตและอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างวางนิ่งเฉยอ๋อสงบอย่างนี้เหรอเมื่อก่อนมันเพียงสงบจิตแต่ครั้งนี้จิตมันสงบเฮ้ยมันต่างกันจังเลยนะ ้มันสงบลึกๆลืมตาเอ๊ะทำไมมันนิ่งอ่ะหลับตาเอ๊ะทำไมมันสงบอ่ะเรื่อมันลืมมันสงบจริงๆโอ้มันไปมีธรรม ท, ที่เกิดความรู้ขึ้นที่บอกธรรมเอกปรากฏ มันไปรู้แจ้งว่าโอ้การที่เราไปยึดมากตั้งใจมากไปตั้งความหวังก่อนปฏิบัติมันไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกปฏิบัติเพื่อความละนี่โอ้มันต้องวางอารมณ์ก่อน ถึงเป็นสมาธิได้โอ้โอ้มันก็ค่อยอ่ออโอ้ทำเป็นอย่างนี้เหรอทำไมไม่บอกก่อนละ่ะเมื่อก่อนจะได้ทำอย่างนี้ปล่อยให้เหนื่อยตั้งนานโอ้ที่แท้ต้องรู้จักละวาง ในอารมณ์ที่ขนาดปฏิบัติอยู่อย่าไปยึดติดอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดโอ้เนี่นี่มันรู้จากสติมันรู้จักการปฏิบัติในจิตตั้งแต่ น, นั้นนะจับจุดได้เลยโอ้โหต่อไปพอเข้าสมาธิฟึ๊ดมันเร็วดีจากมันคมมันตัดอะไรก็ขาด พอตั้งสติโอมันตื่นปึ๋งเลยโยม น, นั่งปึก๊กมันไม่เสียพลังงานที่ไปส่งไปนั่นส่งไปนี้มันดิ่งเลยดิ่งกึกนี่เขาเรียกดิ่งนั่งจุนสติเป็นธรรมชาติเฉยเจ็บเจ็บจะปวดเฉยจะเจ็บจะชาเฉย เพราะอะไรจิตมันไปได้สมาธิมันก็เลยเฉยนอ ด, ดเลยไปอยู่ข้างในแล้วข้างนอกก็เหมือนกับที่เรานั่งเห็นเนี่ยรู้โอ้ยิ่งได้ใหม่ๆในโะยมและตมานี้ตอนนั้นกำลังหนุ่มด้วยประมาณเก้าปีแปดปีก่อนโอ้โหยฟิตปึ๋งเลยอะ โอ้เป็นอย่างนี้เองเหรอนี่เลยคือความสงบแท้จริงความสงบแท้จริงเป็นอย่างนี้เหรอนี่เลยที่บอกว่าจิตสงบสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันเป็นอย่างนี้เหรอโอ้โห มันเป็นอย่างนี้จริงเหรอมันลืมไปเลยโยมไอตัวน้อยเนื้อต่ำใจมันลืมไปเลยพอออกจากสมาธิโยมเดินสะโลเลยโยมทีนี้เดินรู้สึกกายมันมันมันเบาเดินโอ้โหยโยมมันตัวมันจะลอยโยมมันนิ่มเดินมันมันบอกไม่ถูกนะโยมมัน มันแหมมั น, ม, นมันเป็นคืนวิเศษของอรตอมะคืนธรรมาเดินมาที่หน้าพระประธานที่ศาลาแล้วก็นั่งมองพระองค์มองในอารมณ์สมถะที่เกิดในความสงบจิตจิตที่สงบแล้วแล้วก็มองพระประธานมองนิ่งเฉย แล้วก็พูดกับพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วแต่ข้าพเจ้ายังต้องแก่เจ็บตายพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งแล้ว แต่สิกยังเป็นผู้มืดบอดอยู่พระองค์เป็นผู้ไม่มีทุกข์แห้วแต่สิกยังมีทุกข์อยู่กราบข้ามๆสุดซึ้งหัวใจที่จะบอกใครได้นอกจากกราบลงไปกราบแบบหมอบเลยนะโยมกราบแบบซีโร ล, ลาม โอ้ยพยศหมดไปเลยโยมกลา้าเลยนั่งดูพระองค์อพระองค์ธรรมของพระองค์ละเอียดยิ่งนะเกินแก่ผู้ที่จะปฏิบัติที่จะรู้ได้ถ้าไม่เพียงยิ่งยวดไม่ศรัทธาอันตั้งมัน่น คงไม่ถึงพระองค์แต่วันนี้สิทธิ์ขอกราบพระองค์โดยทำแล้วกราบลงไปเป็นคืนวิเศษมากสังอาตมาคืนมันเย็นไปหมดทั้งสารามันสว่างมันอิ่มมันเอิบ ม, ม, ม, มันเบิก ม, มันบานโอ้โหโยม บอกไม่ถูกความสุขในครั้งนั้นที่ตมาได้มานะเป็นรางวัลของความเหน็ดเหนื่อยที่จะมาทุ่มเทกับการบำเพ็ญปฏิบัติตมาลืมเหนื่อยตั้งแต่วันนั้นมามันหายไปเลยเหมือนกับได้น้ำทิพย์มาชรลมชีวิตจิตของอาตมาแล้วก็นั่งดูพระองค์ไป แล้วก็พูดกับพระองค์บอกธรำของพระองค์นะั้นพระองค์เป็นผู้หยุดแล้วนะสิทธิ์ยังไม่หยุดเลยพระองค์เป็นอนัตตาแล้วสิทธิ์ยังเป็นอัตตาอยู่เลยเมื่อไหร่สิทธิ์จะถึงพระองค์เนี่ย แล้วก็นั่งมองพระองค์ยมเชื่อไหมท่านไม่พูดเลยสักคำหนึ่งพูดธลูกไม่พูดเลยสักคำหนึ่งแต่มานั่งมองนะมองจนรู้จักพระองค์โดยไม่ต้องพูดยมเชื่อไหมแต่มาพูดได้เต็มคำนมามองจนรู้จักพระองค์ รยังไงเราหยุดยืนนานแล้วมองไม่เห็นเราเองเราสงบอยู่นานแล้วไม่เห็นเราเองยอมเชื่อไหมเราหยุดยู่นานแล้วมองไม่เห็นเราเอง เราสรางอบอยู่นานแล้วมองไม่เห็นเราเองคำนี่แหละมันหยอดก็ไปนในใจน้อยๆของธรรมะธรรมะจึงเชื่อว่าธรรมะที่แท้จริงพูดเป็นภาษาจิตได้แต่สิ่งนี้ ไม่ใช่เป็นภาษามาพูดมันจะรู้เมื่อถึงสภาวะของสติที่เข้าไปรู้ธรรมะนั้นนี่นัตติบอกโอ้โ ห, โหนึกไปต่างๆนาะนาะมันสุขมากมันสว่างมันอิมออ่มเอิบมาเลยโย สมานังไม่สนใจแม้แต่นั่งลมหายใจที่มีในชีวิตจ้องดูแต่พะพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นที่รักแห่งเราจะไม่หนีเราไปอีกนะถึงขนาดนี้นายโยอะโอ้โหไปเห็นสิ่งที่มีค่า มันคือดวงจิตมันมีค่าอันสูงสุดมนุษย์หลงผิดเองนึกว่าสมบัติทางร่างกายคือค่าอันสูงสุดเขาจะไม่พบความจริงในชาตินี้ที่เขาเกิดมาเขาต้องร้องแล้วก็ดิ้นรนตอ่อจนกว่าเขาพบคำคำนี้จิตเขาจึงสงบลงได้ โอ้โหทำไมละเอียดอย่างนี้เห็นอยู่ทุกวันแต่ไม่เห็นมองอยู่ทุกวันแต่ไม่เห็นพูดธรรมะอยู่ทุกวันแต่ไม่เห็นนดิ การปฏิบัติในครั้งนั้นได้เพียงครั้งเดียวแล้วก็ได้ตั้งแด่ น, นั้นตลอดมานั่นแหละคือสติจริงๆคือธรรมะจริงๆคือรู้จริงๆในจิตนั้นตอนนั้น ในวัดเอียมวนนาราจนท้ายที่สุดเกิดความเบื่อหน่ายในกายรู้สึกว่ากายนี้เหม็นมากกายมนุษย์นั่งใกล้มีกลิ่นเหม็นออกมาเบื่ออาหารเนื้อต่างๆไม่เคยถือมังสวิรัตไม่เคยถือเจ เหม็นกลิ่นสาบมากเหม็นกลิ่นสาบมากทั้งสาบสัตว์เจ้าเข้าปากในเจ้าอ้วกเลยถึงขนาดนั้นนะโยมมันเป็นโดยธรรมชาติของจิตนั่นเองบอกไม่ถูกว่ามันเกิดได้อย่างไรจนเบื่อนหน่ายจนนอนทิ้งร่างกาย มีลูกศิษย์อยู่สองคนเขาพยายามประครบประงมอัตมาบังคับให้กินอาตมาจะนอนตานีจะมองเพดานมองด้วยการเฉยอัตมาพูดอยู่คำเดียวว่าไม่มีอะไร ชีวิตนี้ไม่มีอะไรร่างกายนี้ก็ไม่มีอะไรรู้แค่เนี้มันเบื่อไปหมดเลยอยากเดินหนี้ไปบนเขาตอนนั้นคิดว่าคงจะเป็นนอนทิ้งร่างกายให้มันตายอยู่ตรงนั้นทํามันเป็นอย่างนั้นมันเกิดความเบื่อหน่ายจริงๆนะโยม ถ้าเรามาแกล้งเบือนไหนมันได้สองวันสามวันใช่ไหมอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเองเบื่อมากเลยเข้าบปาอาหารตักสองช้อนไม่เอาแล้วลูกสิธิ์ถึงกับครัวแตามาแตข้อกา็ตามากินฉันเดี๋ยวก็ตายหรอกบอกฉันไม่ลงมันอิ่มอิ่มอะไรสองคำอิ่มเมื่อวานก็คำหนึ่ง ห่วงธรรมาธรรมารู้บอกไม่ต้องคูหลอกธรรมาไม่ฉันฉันไม่ลงไม่ลงก็ต้องฉันตื่นมาตีสี่ทาตั้งสองชั่วโมงมักฉันสองคำได้ไงถ้าไม่ฉันวันนี้พรุ่งนี้ไม่มาอีกแล้วไม่มาก็ไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรบอกพูดอยู่คําเดียวกับว่าธรรมาลูกศิษย์ก็ขึ้นเสียง ้าตมารู้เจตนาเขาตอนนั้นมันก็เราจะไม่เอาอะไรตอนนั้นนะแม้ร่างกายที่นอนอยู่ตมาก็นั่งดูเยหรือเราหนีไปเสีดีไหมอามแปลกนะเวลาปฏิบัติธรรมนะที่บอก จะให้ดีหาท่านผู้รวบ้บางนี่มันเกิดในถึงจุดของความเบือ่อเบื่อนะเนี่ยกายที่นั่งธรรมาเคยเบื่อเด็มที่เล ย, ยมีกลิ่นนะกลิ่นนี่เหม็นเลยผู้หญิงเนี่ยสวยๆนะแต่งหน้าแต่งตานั่งนี่กลิ่นนิ่เหม็นเลยเหม็นมากด้วยซ้ำไปคนยิ่งสวยตั้งไรแต่งตัวไรยิ่งเหม็นมาก มันแปลกจังคนอื่นเขาไม่ได้กลิ่นนะแต่เอ๊ะทำไมมันกลิ่นแรงจังนั่งคุยไม่นานเรากนั่นแหละเสร็จจากนั้นตมาถึงออกจากวัดน่นไปอยู่บอกลูกศิษย์บอกตอมาจะไปแนละ้ว โอ้โหเซ็เสดายกันใหญ่เลยเอ่ะยมเชื่อไหมว่าอาตมาไปเนี่ยทำให้คนร้องให้เกือบทั้งหมู่บ้านเพราะควินอาตมาเป็นที่พึ่งแต่ตมาจะไม่อยู่แล้วห้ามไม่ได้ตมาตีระคังโปงโป้งโป้งโป้งโป้งป ชาว บ, บ้านมาไปชมบอกจะมาไปแล้วนะไม่อยู่แล้วไปไหนบอกไม่รู้แต่ไปนะมีลูกศิษย์เขาขับรถพาตมาไปเขาบอกอาจารย์จะไปไหนบอกยังไม่รู้แต่อยากไปอยู่ป่าก็พอดีไปเจอป่าสะพานโด ต่มาไปทำที่สะพานโดกตอนนี้ก็มีวัดป่าอยู่ร้อยกว่าไร่ต่มาอยู่ที่นั่นหลายพันษาบุกเบิกใหม่ขึ้นมาเหมือนกับหินกองแห่ง น, นี้ แต่ก่อนที่จะถึงวัดป่าตมาที่แรกเนี่ยไปเจอป่าก่อนแต่มันเป็นทางเข้าป่าพอเข้าไปเห็นสภาพวัดนิดเดียวแต่ก็ไม่ได้เป็นวัดหรอกตอมาก็าไปอยู่แล้วก็พัฒนาที่ตรงนั้นมาและตมาก็เน้นปฏิบัติในช่วงนั้นเข้าไปช้ามา่อย ก็จะมารู้สึกเข้าตอนนั้นสามเดือนเต็มๆและตอนหลังไปอยู่อีกครึ่งปีในป่าชาได้อะไรไมาเยอะเลยกายหยุดนิ่งอารมณ์ไม่วิ่งเหลืออะไรกายไว จิตไม่ไหวทำนักปฏิบัติเขาพูดกันอย่างนี้กายหยุดนิ่งอารมณ์ไม่วิกอยู่อย่างนั้นนะเรืออะไรพอออกมาเสร็จกายไหวจิตไม่ไหว พอเดินบอกกายเคลื่อนจิตมิเคยเยื่อนมันคืออะไรรู้อยู่ในอกรู้อยู่ในปัญญารู้อยู่ในใจนี่แหละก็เรียกธรรมเป็นของเฉพาะบุคคลแตามาจิงบอกโอ้โหยิ่งขดยิ่งลึก ยิ่งบรรยายยิ่งละเอียดยิ่งขุดยิ่งลึกยมเชื่อไหมว่าการจะได้บรรลุ อ, ร, อรหันต์หรือพบพระอรหันต์เนี่ยโอ้โหท่านบำเพ็ญอย่างแสนสาหัสเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย เป็นวงคลอันสูงสุดเพราะ น, น, นานๆจะมีผู้บอกความจริงชีดทางในศัจจธรรมให้เราฟังเราเนืกว่าชีวิตมันเป็นสุขแต่ปัญญาอริยะเตืนบอกการเกิดมาเป็นทุกข์พูดไม่เหมือนเรา แปลกใจไหมพวกเราบอกว่าชีวิตมันเป็นสุขจึงได้ปรุงแต่งอย่างมากมายให้มันเกิดสุขขึ้นแต่ปัญญาอาริยท่านบอกการเกิดนั้นเป็นทุกข์ร่มไปใครถูกกว่ากันละ่ะพิจารณาเอาเอง ให้เชื่อกันไม่ดีเดี๋ยวยังสงสัยให้ใช้ปัญญาสติที่มีอยู่ในเรานนะนะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองความสงสัยสำหรับจิตนั้นจะหมดไปธรรมะจึงบอกโอ้โหธรรมพุทธเจ้านะนั่งจนมันดำ แข็งไว้ทั้งตัวมือไม้ดึงไม่ออกโถแต่ามาจ้างให้มดมาไต่ด้วยมันไม่มีอาการอีกแล้วที่จะมานั่งจักรจี้อย่างพวกเราไม่มีมันถึงขนาดที่ว่า การคลายออกจากสมาธิเนี่ยไม่ใช่ดึงออกง่ายๆนะโยนะสี่ห้านาทีกว่าจะคลายออกมาได้มันนิ่งขนาดนีมันเลือกนิ่งกว่าจะถอนออกมันเหมือนกับคลายกับอะไรคลายกับเราดำน้ำลึกนะส ม, มุติลึ ก, ล, กล็กกว่าที่เราจะขึ้นมาถึงบนน้าเยโยคิดดูต้องใช้เวลาแค่ไหน มันต่างกันนะของเราเนี่ยพอกออกจากสมาธิปุ๊บลุกขึ้นได้เลยเก่งจังเลยออกจากสมาธิเถียงได้เลยแห่วิเศษมากวิเศษที่สุดนั่งสมาธิบางทียังตอบได้เลยอนุถามไปถามมาเฮ้ย hey, ไม่ใช่หรอนี่เป็ว่าสมาธิผิว มันเป็นผิวเป็นสะเก็ดเห็นไหมมันถึงพอมันถึงหยุดได้ดับนิ่งโอ้โหทําไมมันลึกซึ้งอย่างนี้ทําไมมันหนักแน่นอย่างนี้และทําไมมันโปร่งโล่งเบาอย่างนี้สภาพภายในจิตเนี่ยโปรง่ง แต่สภาพของกําลังสมาธิมันแน่นหนักมากจึงบอกโอ้สมาธิทําให้จิตไม่หวั่นไหวเป็นเรื่องจริงแต่มันยังมีอุปปธิกิเลสอาสวะกิเลสอนุสัยที่ยังมีอยู่นั่นคนละตอนกันนะคนละตอนกันแต่สมาธิทําให้จิตนั้นไม่หวั่นไหวในขณะที่เข้าสมาธิอยู่ ยมสังเกตดูไหมถ้าเราเข้าสมาธิจิตสงบลองมีใครมาด่า ย, ยมตอนนี้รู้สึกความโกรธมันก็มีก็น้อยถ้าเกิดนี่เห็นได้ชัดเลยโรคโมโทสันมันก็จางคลายไปในขนาดนั้นด้วยนี่มันเห็นอยู่แล้วไม่ต้องถามใครแต่มันยังไม่ขาดมันไม่ขาดนี่ใช่คือรากมันยังมีอยู่ รากมันมีอยู่แต่การที่จะงอกมันโดนตัดไปเรื่อยนีกออกไห ม, มันตัดออกแต่รากมันมีอยู่เนี่ตรงนี้เราต้องปฏิบัติต่อถอนรากถอนโคนถอนรากถอนโคนวะจะมาอยู่ตรงนั้นนานจะมาเข้าป่าไม่ใช้กรด ยมเชื่อไหมสามเดือนตะมานั่งยุงไม่กล้ากัดตมาพอเกือบครบสามเดือนตมาบอกลูกศิษย์ได้ป่ะนั่งไม่ได้แล้วนะพอแล้วคนเขาดูแลสามเดือนพอแล้วแต่บอกไม่ได้ว่าใครช่วยอยู่เชื่อไหมพอครบสามเดือนพรุ่งนี้โยม ยุงมาเป็นร้อยนั่งกัดดำปึ๊ดเลยลูกศิษย์เห็นทนไม่ไหวรีบขอไฟข้างๆไม่กล้ามาปัดอาตมาเนี่ยบางครั้งก็เรียกนั่งเอากายไปแลกจิตมนุษย์ส่วนมากเอาจิตไปแลกกาย มันจึงเสื่อมลงทุกวันทุกวันทุกวันถูกไหมมันจึงเสื่อมลงทุกวันทุกวันทุกวันนี่ะอาตมาจึงบอกว่าเออการปฏิบัตินั่งอยู่ในท่ำกลางของความมืดในราตรีนี้ราตรีนี้ช่างสว่างนะ